ขึ้นบาข้ามก็ใช่ละอ่อีกคือสองอาทิตย์จากนี้ไปก็เป็นการทำบุญเหมือนกับวันนี้แหละอ่เป็นการทำบุญอุทิศสวนกุศลในภัในพรรษาเป็นการทำบุญทบุญถวายฉลากระพัดอ่คือพวกเราพี่น้องประชาชนรวมกันแล้วก็ถวายอาหารพัตหารพระสงไม่จเพาะเจาะจงอ่าสุดแท้แต่องค์ไหนจะได้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 เขไม่อุทิศใหเนี่ย <c oughs> <i. S 2> เขาก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ส่งเอเหมือนกับเราไปทาํามาค้าขายเสร็จแล้วนี่ย เ, เราได้เงินมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าซะยัดใส่กระเป๋าแล้วก็จบเราไม่ได้แบ่งพี่แบ่งน้องอแบ่งวงศาคณาญาติแบ่งแบ่ ง, แ บ, งแบ่งมิตรสหายนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่รู้จักได้ยังไงเพราะเราไม่ได้แบ่งให้เขาเออันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะเมื่อเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วเราไม่ได้คิดถึงใคร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 ไอ้พวกเราขึ้นมาซุบมือเปิบนะลูกหลานนะแต่ขนาดนั้นก็ยังขี้เกียจทํานาอีกต่างหากแต่คนที่เขาปักเขาทําแต่ที่แรกนะเขาทกยากขนาดไหนก่อนที่จะเป็นไร่เป็นนานี้ก็เหมือนกันพวกที่เป็นพ่อค้ า, พ, าพ่อขายก็เหมือนกันอยู่ในเมืองนะกิจการร้านร้านค้าทางหลายพ่อแม่ข้องเราก็ปลูกฝังเอาไว้ถือทอดเอาไว้พวกเราก็มาได้ทําการทํางาน